การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทํามาหายเรื่องธุรกิจการค้าขายหรือติดการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะาทําให้ผู้ทําได้มีความเพลินเช่นการค้าขายยิ่งมีรายได้มากเป็นไรก็ยิ่งทําให้ถูกค้าขายนั้นนี่แก่จิตใจแก่จิตแก่ใจ เพดเพลินดูดดื่ดมีความอุตส่าห์พยายามที่ต้องทํามีจิตใจฝักใฝ่อะไรที่มาทั้งสี่ก็ไปรวมอยู่ที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองพราะเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็ น, นลํำดับกำลังการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจตอนนั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นหน้านวัตถุมเช่นเดียวกับกางานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น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 ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องท่าสอนตนเองให้มีความฉลาดแล้วอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลํำดับต่อไปก็มีความว่าพ่อและทานกับเหตุการณ์ทางด้านทธรรมะก็เช่นเดียวกันการคุยปฏิบัติทีแรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเราคำปันป้นตีนถ่ายเข้าไปปุ้นตั้งปุ้นตั้งรติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินดึงกลมกันเดินกับท่านนังน่งภาวนาก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทำาากกว่าทำแต่อาการของกิตที่ท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิจยาภายนอกคือเดินจงกมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจรึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิดพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทํำมาผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏแล้วก็ทําให้ของขี่เกียดก็ไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา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 ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานีม่มีสติคุณในงานเอาขั้นสติสะก่อนว่ามีสติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทําอย่างนี้นั้นผลเรียกว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากคิดว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลยังที่ ไปพินกับสิ่งนั้นไปอินกับสิ่งนี้อยู่การศึกษามากรู้มากมีที่อ่านใจต้องอะไรสำรับนั้นอันนี้ให้ยกเว้นทั้งหมดในครัง้งแรกจะนำเข้ามาสนใจไม่ได้จะทำงานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำจนปตากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนนี่ความคล่องแคล่ว ข, ข, ข, ลของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคาว่าความคล่องแคล่วหรือความทํานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดย่าไงเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทํานานก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ทํานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วอย่างไรบ้างช้าอ ย, อย่างไรบ้าง ปัญญารวดเร็วหรือช้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละออยนน อ, ยะ อ, ยอย่างไรบ้างขณะดที่กาหนดจิตอารมณ์ก็บจิตมีส่วนอยากส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะ น, นี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คลาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความจำนานของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาตของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเรื่อยไปเนื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันจิตเมื่อได้ดําเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเล ย, เลยแต่เคยมีความผู้สร้างบุญบาขนาดไหนทยศขนาดไหนก็เถอะ ความประยศนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเราค่ทราบกันแล้วการดัดพย์นั่นก็คือธรรมเวลานี้เราเราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสดัดความประยุ์เหล่านั้น่นะเมื่อกําลังพอกันแล้วความประยศนั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าตุปัญดาก็ค่อยทันกันไปโดยละมั่ง น, นี่เรียกว่า ง, า, งานของกิต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 ให้โตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบํารุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อใดแล้วการบํำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ําเสมอก็จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรืมีความชำนทํานานผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปในแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยโดยลำดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่ผ่าน ใช้หูใช้ตาตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสรุปสติปัญญาให้รับทราบให้คน้นคว้าให้พิจารณาให้เข้าใจก็จะรับทราบเพราะจะเข้าใจทั้งทางนอกทั้งทางในจะวิ่งเข้ามาเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีธรรมเรียการู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มงตาง นี่ก็เรียกว่าการทำงานเรียกว่าผลของงานเป็นล ำ, ด, ลำดับลำดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยรัพย์คือทราบภายในมงขวายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิ่มลำบากลำบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขา ในตามถ้ำตามสอกเขาที่นั้นก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทําอยู่ในสถานที่นั้นๆไม่ลดละความท่าเพียรผลที่จะพ้งได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับๆเดี๋ยวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้วกลา้าเราจะออกค้นตามล่าที่เหล็กที่นี่นะ พี่เล็กไปเจี่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรพระเจี่ยวกว่าเที่ยวต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตัวเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้กดท่วงมากมายน่าจากปทานเป็นผู้ระเที่ยวยึดถือมาพี่เล็ก็ตามล่าทิ้ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่ง น, นั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงทางหลงจิต ก, กับสิ่ง น, นั้นเพราะเหตุใด อันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความจริงของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิ่งนั้นนีเพราะตนเป็นผู้ที่พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษในความเป็นผู้หลงโดยลำหนักลำหนักนี่การพิจารณาในแย่ออื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทาง ห, าาาาหูเขาตําหนิเราหรือเขาตาหนิใครก็ตาม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 หูทั้งจมูกทั้งลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจตรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตตลอดถึงปัจจุบันที่ตรุงแต่งขึ้นมานี้ตรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนดลำหนักนี่ชื่อว่างานงานของจิตผลที่จะคได้รับก็คือความเข้าใจและปล่อยวาง สิ่งที่เคยหนักหน่วงทุ่งจิตใจมาโดยลำดับเป็นเวลานากแล้วค็ล่อยวางลงได้ด้วย อ, อํานาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุหนหลังและทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้มีก็ เ, เรียกว่าผลของงานมีสติปัญญามีความสามารถมรมีความแก้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าเท่าตามต้อนตามล่าที่เล่ กิเลสคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญหมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสําคัญนั่นสําคัญนั่นหมายนี่เป็นกิเลสอย่างเดียวมันก็ไม่ทั่วถึงรายละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชน ะ, ะไหนก็ตามย่อมจะเกิดความสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งนั้นมน้าฉัต้องไปครี่คลานดูให้ดีรายละเอียดถีตัวให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ย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 สัมผัสหรือดูดดืดด่มอยูดด่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาทีนี้ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแล้วทีแรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหวั่นไหลเพราะปัญญามันวิ่งก็เต็มที่กว้างขวางมากมายลึกลึกล ก, ก็ลึกสูงก็สูงกว้างก็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรุ่นเริงด้วยความเพลิดเพลนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นๆ เมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลํำดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยคู่นี้ไงตามล่าที่เด็ดทั้งตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุมซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้จงกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปนตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลําดับลําดับ เข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยบางกันแตเนี่ยถ้าเรียกว่าค่าที่เร ก, ก็ถูกถเรียกว่าล่าที่เร ก, ก็ถูกแล้วก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทําให้ใจสงสยัยขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็นแล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทํางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทำงานของทำ จนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่งที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุนเริ ง, เร ง, เรงมันเทลินเลยงานแับผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้เองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้นข้นญขวายิ่งเรื่อยๆเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขยันค น, น, น, น, น, คนจนเท่าไหร่ยิ่งขี้เกียดเนี่ยหกการนะเศรษฐีแทนที่จะ น, นั่งจะ น, นอน สมาธบเขาอะไรก็มีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพอยิ่งวิ่งเต็นคนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต็นคนขวายก็ให้ได้มากองสืบกลับขี้เกียจนักถูกปฏิบัติก็เหมือนการนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไมเห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียดพอรู้เพอเห็นพอเข้าใจเข้าใจก็ไปบ้างก็เพิ่มความขยันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขยันหมั่นเพียร เป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขอให้ได้ให้ถึงนันมันหมุนมันไปเองเอาวถ้าจนกระทั่งลมทะเลหลวงจะตูมหมดสมุดน่นแะเดีย๋ยวลมทะเลหลวงน้นก็หมดปัญหาเองเพื่องความภาคเพียนที่หมุนตัวเป็นเกลียวธรรมจักนันก็หยุดเอ ง, งหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนก็ฟาดจะฟันมันแหลกไปหมด มันก็มีอะไรที่จะหมุนกระทาจฟันกระค่าเนื้อแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโซดาปฏิผลสติธาคาันผลอนาคาันผลอรหตัตผลก็ขึ้นไปโดยลำํลำดับลํานับถึงผลสุดท้ายก็นิพพานสมบัติเหน่ออรหตัตผลกับนิพพานสมบัตก็มีอะไรผิดแปกกัน่ะถึงขั้นอรหตัตผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่ สงบาททั้งท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลาดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่รกลูงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลําดับลำดับฉายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรรมชาติของจิตแต่เพราถูกปกคลุมหุ่มห่อไว้ในด้วยสิ่งท้นหาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งปกกระปกโสม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 เพราะงานแก้จิเดชไม่มีลายผิดกันจีเดชเป็นประเภทเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้จีเดชจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบัตาและแต่ความถนัดของผู้นั้นจะมีจดิษฐานหนักมาในอมาฝุกมาค้นเอามาใช้ใเกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่ผลเนี่ยนก็คือความดูดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงดูดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีลายเหลือ นี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลาย น, น, นําบัณิตพุทธนาให้ปรากฏขึ้นภายในจิตั้งตนดังที่ออกล่ามานี้จึงขอดุจจิเรนคนนี้เป็นขึ้นมากกับเราเรื่องอะไรก็คิดขึ้นมาเหมือนกับคนพูดอยู่ภายใน อย่างนี้ท่านเห็นกันเป็นสังข์ที่ว่าเผือประดังกันอย่างนี้ทั้งขางหน้าของหลัง น, นี่นกาลังฉากรนั้องกำลังฉากรือเชื่อตั้งสองตัวนี้มันเคยกินคนแล้วมันรู้วิธีกินคนนะจะให้ระวงังทางไหนบ้างนี่มันเข้าฟ้อมกันเขาบอกแล้วว่าเถื่อพวกนี้มันเคยกินคนเป็นประจำํำท่านักดิ์สิทธิปิดประกาศปากดง ก็ห้ามตั้งแต่วันเที่ยงตั้งแต่วันเที่ยงแล้วห้ามผ่านห้ามผ่านตรงนี้ห้ามเข้าไปผ่านตรงนี้คือถ้าจะไปทางอื่นนั่นแนหะเขาห้ามแต่สำหรับชาวบ้านเขาก็รู้แล้ว จ, จริงไหมล่ะฮะกินเ้าอะไรนี่เขาก็เป็นอันนึ ง, องไอ้ผู้ที่จะเดินทางตามทางนี้จนกระทั่งถึงทะลุไปที่อื่นเขาปิดประกาศห้ามตั้งแต่วันเที่ยงแล้วห้ามไปคือจากตั้งแต่วันเที่ยงวันไปจนทั่งถึงกลางคืนนั่นแนะ่ะมันจะไม่ทะลุ ดงนี้แล้วเสือพวกนี้มันเคยหาจริงคนเป็นประจำในารกังคื้นออกมาจ่เกาเนจันชอบนีนอาเอง้วยเนี่ยพอเสือมันฉางมาจริงแล้วน่ท่านต้นกล่อง น, นี่อ่าเราคงจะ นะฮะเปนยังไงล่ะมันนี่วะคนเราจนก่อแล้วมันเข้าเพราะเคยเข้าอยู่แล้วจิตเนี่ยไมมีอะไรพึ่งเขาพึ่งตัวเองตัวเองก็มันทำในภายในนะกำหนดกาหนดเลยทันทีคือมันจนก่อแล้วท่านั่นก่อฉากฉากอันนี้ก่อฉากฉากอันนี้ท่านั้นก่อฉากมันมันจะให้จังหวะพร้อมๆมกันน่ะพยานก็เสือนเพ่ผมไมรู้แหละ คือเทพบรรดาใจก็ได้เงี้ยมันหลายอย่างนะพอเห็นธาตเป็นมุมจริงเท่ากำหนดจิงคือท่านปล่อยหมดไอ้เรื่องทั้งโน้ทั้งี้ท่านปล่อยหมดแลจิตเข้าพอากำหนดอันนี้จิตก็ขยับลงไปเลยทันทีแตมันยังไม่ถึงขี้เห็นวนะ่าพอขยับลงไปแล้วแล้วผุดขึ้นมาหนังที่ตอนนําพันเนี่ยผมว่าเธอทําอะไรทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวหนงังฟังสิเนี่ยที่เป็นเรื่องวัชจันทร์อนะ เสือทาอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ากกำลังเพราะว่างคันพับลงปุ๊บคราวนี้หายเงียบหมดเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือความตัญญาอรารมณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องสมมติต่างๆภายนอกไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายไม่มีเลยปาเขาจะตั้งหลายชั่วโมงนี่ร่างกายก็หายเงียบในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยนะเวลามันจนกว่ามันลงได้เต็มที่อนั้น จนกระทั่งจิตมันถอนขึ้นมาก็ไม like ่ทราบกี <c ili ber Speed> ่ช <con c rett entren certificates> ั่วโมงไอ้เจนไคที่โคมไฟนั่นที่หิวอยู่นี่มันก็มีไฟอยู่นั่นเท่าเท่าที่เดินทางคุณนี่ถ้ามายืนหิวอยู่นั้นกดก็แบบบ่าก็จะพายบาบานั้นก็แบบกดก็อยู่อย่างนั้นเดินยืนอยู่อย่างนั้นธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็หิวอยู่นี่แล้วจิตมันก็รวมก็อยู่งั้นน่ะมันไม่พาหกล้มไปไหนเลยฮะยืนเอียวยืนยืนอยู่งั้นเลยนี่คิดดูสิ ไม่หกไม่ล้มทั้งๆที่ไม่รู้สึกตัวเลยขนาดนั้นมันความรู้สึกตัวนั้นน่ะว่าตัวมีน่ะมันหมดกว่างั้นเถอะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสื้อว่าอะไรทั้มันหมดแม้แต่ร่างกาที่เป็นส่วนเฉพาะตัวนี้มันก็หมดในความรู้สึกมันยังยืนได้นี่เลยมันยังใหท่านนั่งภาวนาเอาเหมือนกันยังขั้นยั่วสมบัตินี่เจ็ดวันนี่มันขั้นยัวสมบัติเจ็ดวันนี้ท่านล้มเมื่อไหร่ไม่ได้ล้มนี่ก็อยู่นั่น อันนี้ก็ทรงตัวตามธรรมชาติทั้งมันนั่งกระทรวงตามธรรมชาติพอจิตถอนมาแั้วถึงมาบรูุ้สุดตัวพอพอรู้สุดตัวแล้วแบบนี่ก่อนอะไรอะไรเป็นปกติทั้งเลยนั่งลงแล้วเอาไม้จิตตามาสี่จุดเตียนที่จุดเตียนไง่แล้วมองไปไหนไม่เห็นเขือนไม่เห็ตั๊กตัวห า, ย อ, ยาอะไรเนี่ยะไรกั มันมีอะไรเลยจังหวะแต่อาถรรพ์ที่ตรงที่ยืนอยู่นั่นนี่ถ้าจุดไฟก็แน่หลังก็อมองนน่นมองนี้ทีนี้ไอเสือที่เคยกลัวแต่ก่อนมันเลยกลับเป็นอะไรมันพูดมันพูดไม่ถูกมันเป็นมิตรเป็นเสหายเป็นอะไรอย่างซึ้งเลยว่างั้นนะทันว่านะเลยอยากจะพบมันอีกที่นี่ไมไม่ใชเสือแล้วอยากพบเพื่อนอยู่ทันวันฟังนี นี่หละทำแล้วเสือก็ไม่ทําอะไรได้เลยมันไม่ทําเลยไม่ทราบปัญหาเป็นไหนแล้วนี่ท่านท่านที่มันฉากฉาวอยู่ห่างประมาณสองวาหน้าตัวทั้งสองวานั่นนั้นเองมันฉากฉาวฉาบพวนี้าบเนี่สคืเสือพวกนี้มันเคยกินคนมันรู้วิธีกินเนียมันต้องเข้าความกันเลยถ้ามันมีทางหลบแปลกเสือทําอะไรไม่ได้ไมันสังกัว ขุดขึ้นมาคือคือคือขั้นที่พอขุดนะถ้าถขั้นเนี่ยงจริงจะไม่มีอะไรขุดนะขั้นขั้นขั้นเนี้ยขั้นขั้นที่พ อ, อนั้นได้นี่ถ้าว่าเร็วกว่าสมาธิก็เป็นปิการสมาธิมัอองออกลูกนั่นลู น, นี้นี่อันนี้มันขุดได้หรือพิจิตธรรมดาที่มีฐานอยู่แล้วนะ่นถุนได้ธรรมดาอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เร็วกว่านะั้นอีกคือเป็นเรื่อยๆ อ, อันนี้ขุด จิตที่เป็นพื้นมดาขงจินเนี่ยเป็นพื้นมายถึงพื้นของคมของจิตมีอยู่ในนั้นแล้วว่างั้นเป็นไะมถ้าจะจิตธรรมดาเหล่านี้หมายถึงท่านมีพื้นเพลงท่านอยู่เป็นปกติถึงจะรวมไม่รวมก็ตามอันนี้ขุดขึ้นได้ไม่เลือกการเยวลาสงบลงไปอีกขุดขึ้นมาอีกอนี่เป็นเรื่องที่แปลกเหยียดเพแต่มาเป็นสังขารนั่นก็ไม่ใช่เมื่อปรากฏว่ามันตรตนุ่มแตงี้ยมงี้ยเงี้ยตัวหมา คือขั้นขันเรื่องอะไรมันมันมันมีเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องอะไรมันมันจะมันจะกระเพื่อมตัวมันกระเพื่อมตัวมันแต่อันนี้มันธรรมดามันไม่ได้กระเพื่อมที่ที่ผุดขึ้นมานั่นอ่ะแม่ทําจิตของเรให้กระเพื่อมเช่นเดียวกับเช่นเช่นเช่เราเช่นเราปรุงเราแต่งนะเราคิดนะอันนี้ไม่มีขึ้นมาอย่างละเอียดเลยให้ทราบความชัดเจนเช่นยกตัอย่างเช่นว่ะเสือทําอะไรไม่้ไม่ต้องกลัวเนี่ย คือแผลวออกมาเลยทันทีแล้วให้เข้าใจครับกับที่ว่าที่เคยพูดนะถ้ามีจุดมีต่อนรู้ อ, อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวครกนะอันเดียวกันเนะี่ยอันนี้คือมีต่อมรู้ไหนอยู่ที่ไหนนั่นแหละดูตัวครกเนี่ยนะมันก็อันเดียวกันเหมือนกันนี่หวังนั่นเด็กคือออกมาเฉพาะไม่ได้ไม่ได้ปรุงขึ้นมา เพราะไม่คิดไว้ไอ้ น, นี่เราก็ไม่คิด ว, ว่าอันนั้นมันคืออะไรแล้วไม่ได้คิดคาดเอาไว้พอจะไปปรุงอย่างนั้นแม้แต่ขึ้นมาแล้วเรายังงงเลยเทธรรมะต่อ ม, มคืออะไรนะไม่รู้จะต้องต่อมและจุดขึ้นจากจิตใช่ไมไใช่ออกมาจากนั้นแะ่ะแต่มันไม่ทําจิตให้กระเทือนนะอันนี้ไม่ทําจิตให้กระเทือนออกม า, ากนั้นน่ะ ถ้าไม่เรียกว่าทำจะียกอะไรพูดอย่างนี้ล้วทาไมมันจะหมดน้ำมันมั น, นมันล่อนหนูไม่ทรางลงได้มื่ไรก็ลงไปไม่ใช่ทำะอะไรเน่ล่อนไปร่อนมาน้มันหมดแล้วตกไปถ้าไม่ใช่ทำแล้ว อ, อะไรฉะนั้นมันก็หมดปัญหาทันทีนะท่านอาจามัท่าอะไรเนี่ยคืออันนี้ความคามอย่างทราบเบลงก็มกี มีตามจริยมิตรของผู้ปฏิบัติคืออย่างท้าบไปเลยคือทราบรละเอียดตามเหตุผลท้าบไปเลยโดยเราไม่ต้องคิดต้องปรุงมันเป็นความคุมข้าวท่านอะไรอันนี้จะว่าเป็นอะไรปัญญา ม, มันเป็นส่วนเปนส่วนดาบท่านเรียกว่ายานก็หมายถึงอันนี้เองคือมันอย่างเลยนี่อันนี้นาานอันนี้มันหยั่งงานวุตตปานี้ปัญญาวุตตปาณิง า, านอุตตปาณิเหนครัง ถ้าว่าเป็นอันเดียวกันท่านมาพูดทําไมว่าปัญญาอดมปานี้อะไรอย่า ง, างั้นดมปานี้ปัญญาอุดมปานี้นนจะได้หรือจาเป็นเะไจะต้องมาพูดถ้าเป็นอันเดียวกันพิาาจารณาหมายถึงความละเอียดปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วงานได้เกิดขึ้นแล้วอาโูโกอุดมปานี้ความสว่างกระจา่างได้เกิดขึ้นแล้วทำไมทำไมจับบุรุษ เราันพวดเราผมมียาส่งงงเดาเอาเงากูสนุกนึงเอา